สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่เก้าสิบแล้วนะครับสาวกสตรีตอนที่สองครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในลูกาบทที่แปดนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามโปรดฟังโระวจนะของพระเจ้าต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปตามบ้านตามเมืองทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า สาวก12บสองคนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีผีร้ายออกจากนางและที่หายโรคต่างๆคือมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาที่พระอง์ได้ส่งขับผีออกจากนางเจ็ดผีและโย安าปัญญาของครูซาต้นเรือนของเฮโรธและสูสนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปฏิบัติพระองค์และสาวกด้วยปัจจัยของเขา พี่น้องครับสาวกสตรีของพระเยซูมีนะครับไม่เพียงแต่สาวกผู้ชายเท่านั้นแต่สาวกสตรีก็มีด้วยวเราเห็นนะครับว่าในสมัยของพระเยซูนั้นสังคมก็ถือว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายครับและผู้หญิงนั้นไม่ได้รับเชิญร่วมโต๊ะเมื่อมีแขกมาทั้งที่พวกเธอต้องทําหน้าที่เตรียมอาหารนะครับและผู้หญิงนั้น ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมเต็มที่ในการประชุมในสมัสลานะครับในขณะที่เด็กผู้ชายได้ไปโรงเรียนเด็กผู้หญิงต้องอยู่กับบ้านนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนงานบ้านนะครับชาวยิวนั้นไม่พูดกับผู้หญิงในที่สาธารณะนะครับถือว่าโลกทั้งใบนี้เป็นโลกของผู้ชายนะครับในสมัยโบราณแต่พี่น้องครับพระเยซูก็ทรงขยับฐานะให้กับผู้หญิงครับ ข่าวเิยของพระองค์เป็นข่าวเสริฐสำหรับผู้หญิงด้วยครับพระคุณความรักของพระองค์ก็เป็นพระคุณความรักที่ไม่มีมาถึงสัจภาพจัตตรีด้วยเช่นเดียวกันครับและผู้หญิงก็สามารถเป็นสาวกของพระคริสต์ของพระเยซูได้เช่นเดียวกันกับผู้ชายพี่น้องครับในลูกาบทที่แปดข้อที่สามนี้นะครับสำคัญมากครับกล่าวถึงผู้หญิงที่เป็นสาวกของพระเยซูและระบุชื่อของผู้หญิงเหล่านั้นมานะครับ ผู้หญิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นคนที่ตามเฉดพระเยซูไปในที่ต่างๆในแคว้นเตลีเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้ในงานของพระองค์ด้วยโดยควักกระเป๋าตัวเองครับพี่น้องครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมจบลงเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงชั่วนะครับที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูที่เข้าไปอยู่ในบ้านของซีโมนผมเชื่อว่าทุกท่านคงจาได้ ในขณะที่พระเ ย, ยซูนั้นตัดถามซีโมนนะครับบอกว่าถ้านะครับหรือว่าลูกหนี้เนี่ยที่ติดหนี้นะครับห้าร้อยเหรียญเดนาริอันกับห้าสิบเหรียญเดนาริอันใครจะสํานึกและใครจะขอบคุณใครจะรักนายหรือผู้ที่ยกหนี้ให้มากกว่ากันคําตอบก็คือว่าคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าเขาก็จะรักมากกว่าครับ คนที่ได้รับพระคุณมากกว่าเขาก็จะได้รักมากกว่าครับเพเยชูตอบซีโมนว่าถูกแล้วและเพเยชูก็สรงโยงเรื่องเข้ากับเหตุการณ์ในวันนั้นเพเยชูงรงเปรียบเทียบหญิงผู้หญิงคนนั้นกับซีโมนนะครับสุภาพสตรีที่ได้กลับใจบอกว่าเราได้เข้ามาในบ้านของท่านแต่ท่านม่ได้ให้น้ำล้างเท้าเราแต่นางนะเอาน้าตาชาระเท้าของเรา และได้เอาผมของตัวเองก็เช็ดเราเข้ามาในบ้านนี้ท่านไม่ได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยพี่น้องครับในสมัยก่อนนะครับธรรมเนียมของคนยิวก็คือผู้ชายนั้นจะทักทายกันด้วยการจูบแก้มกันครับไม่มีใครคิดจะไปจูบเท้าคนอื่นหรอกครับแต่ผู้หญิงคนนี้ถ่อมใจมากเพราะเหตุที่ว่าท่านได้รับการยกโทษมากท่านได้รับความรัก จากพระเยซูมากจากพระเจ้ามากท่านก็ต้องผ่อมใจลงยิ่งมากก็คือผ่อมใจลงและเอาปากของตัวเองนั้นจูบพระบาทของพระเยซูพระเยซูตรัสกับซีโมบอกว่าท่านไม่ได้เอาน้ําฉโลมศีรษะของเราแต่นางไดเอาน้ํามันหอมฉโลมเท้าของเราเพราะเหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่านว่าความผิดบาศของนางซึ่งมีบ้ากมากได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรักมากพคุงครับพระเยซูไม่เคยที่จะปฏิเสธการแสดงความรักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสุภาพสตรีในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในการจูบเท้าในการล้างเท้าในการเตรียมอาหารในการรับใช้พระองค์พระองค์ไม่เคยปฏิเสธการตอบสนองพระคุณของพระองค์เลยคุณครับเพราะการตอบสนองพระคุณต่อพระองค์นั้นจากพวกเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นคนที่ได้รับพระคุณพระพรของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับในข้อที่สี่สิบแปดนะครับของบทที่เจ็ดได้บอกว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วพี่น้องครับความผิดบาปของนางมีอะไรนะครับทุกคนรู้ดีนางก็รู้ดีและพระเยซูก็ทรงทราบดีแทกคนอื่นๆก็พูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้แท้จริงแล้ว คนที่จะยกความผิดบาปได้มีพระองค์เดียวครับก็คือพระเจ้าครับแต่พระเยซูไม่ทรงใส่ใจว่าพวกเขาคิดยังไงกับกันครับพระเยซูตัด ก, กับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดที่น้องครับคนที่อยู่ในเรือนของซีโมนวันนั้นนะครับเขาผิดพลาดในการประเมินเกี่ยวกับความบาปผิดพลาดไปครับคิดว่าพระเยซูจะต้องลงโทษเขา แต่พี่เยชูไม่ได้ทรงช่างว่าความผิดบาปของคนนั้นมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกคนก็ทำบาปแต่ขณะที่คนที่ทำบาปมากเขาก็จะตอบสนองตอบพระคุณโดยการขอพระคุณพระเจ้ามากพี่น้องครับอันนี้เป็นเคล็ดลับสาคัญหากเราคิดว่าเราเป็นคนชอบทำนะครับความรักของพระเจ้า ความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับก็จะไม่มากพอแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนบาปนะครับและเป็นจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วพระเยซูทรงยกโทษบาปให้กับเรามากขนาดไหนเราก็จะยิ่งรักพระองค์มากเท่านั้นจากที่นี้เราเห็นว่าซีโมนไม่ได้ปฏิบัติต่อพระเยซูตามมารยาสังคมอันควรแม้แต่น้ําก็ไม่เอามาให้พระเยซูล้างเท้าพระองค์เดินมานะครับ ตามถนนเท้าของพระองค์ก็คงจะเปื้อนฝุ่นครับและเราไม่ทราบว่าพระเยซูเสด็จมาจากที่ไกลเพียงใดแต่บ้านไหนๆครับต้องเตรียมน้ําไว้กับแขกล้างเท้าแสดงว่าซีโม น, น, นไม่ได้ต้อนรับพระเยซูตามสมควรอย่างที่ควรจะเป็นน่าสงสัยนะครับว่าซีโมนฟาริสีนั้นเข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอนในวันนั้นหรือเปล่าถ้าเขาฟัง เขาก็ย่อมเรียนรู้ได้ว่าความเชื่อของผู้หญิงนั้นทําให้นางได้รับความรอดครับในวันนั้นครับน้ําตาและการแสดงความรักของนางพิสูจให้พระเยชูเห็นว่านางขำนึกเสียใจในชีวิตอดีตนี่นะครับในบทที่แปดข้อที่หนึ่งข้อที่สามทำให้เรารู้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่พระเยชูได้ทรงขับผีออกก็ได้รับพระพรพระคุณของพระองค์เป็นอย่างมาก ในข้อที่สองของลูการบทที่แปดนะครับได้กล่าวถึงมารีชาวมักกาลาพระเยซูขับผีออกจากตัวเท่าทั้งถึงเจ็ดผีด้วยกันครับและมารีมักกาลาผู้นี้แหละเป็นคนเดียวกันที่ยืนข้างๆมารีมารดาของพระเยซูใกล้กับกางเขนเลยครับชิดกับกางเขนที่พระเยซูถูกตึงสิ้นประชนมมารีคนนี้แหละครับเป็นคนเดียวกันที่ร้องไห้ยืนอยู่ร้องไห้ในเช้าวันอาทิตย์เมื่อพบว่าอุโมงค์ว่างเปล่า ไม่รู้ว่าใครเอาพระศพพระเยซูไปไหนพระเยซูทรงเห็นความเศร้าโศก ข, ของหญิงผู้จงรักภักดีมารีมักกาลาคนนี้และก็ในที่สุดพระองค์จึงปรากฏแก่เธอในเช้ามืดวันนั้นเองมารี Marie ช่างเป็นสุภาพสตรีที่โชคดีเพียงใดครับได้รับพระคุณของพระองค์มากขนาดไหนที่เห็นพระเยซูเป็นเนมาความตายเป็นคนแรกในข้อที่สามครับ กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยวนนะภรรยาของกูซาเป็นคนต้นเรือนของเฮโรดเป็นผู้หญิงที่มีฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมสูงครับแต่ก็ยังตกลงใจตัดสินใจที่จะติดตามไปเ ย, ยี่ยมชและมีส่วนร่วมในงานของโปรอีกคนหนึ่งครับก็คือสูสันนาหรือสูสันนานครับเราไม่ทราบที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้และ ยังมีผู้หญิงอีกหลายหลายคนครับที่เป็นสาวกพระเยซูไม่เพียงแต่ลูกาเท่านั้นที่กล่าวถึงหญิงชื่อของหญิงเหล่านี้มราระโกและมัทธิวก็ระบุชื่อหญิงที่ติดตามพระเยซูไปด้วยจนถึงไม้กางเขนครับในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่แม้แต่สาวกนะครับก็ทิ้งพระเยซูยกเว้นไว้อยู่คนเดียวนะครับจากบันทึกของพระธรรมลูกาและมัทธิวทำให้เราเห็นนะครับว่าพระเยซูมีสาวกที่เป็นสตรีเช่นเดียวกันครับ และสาวกเหล่านี้ก็เข้มแข็งนะครับและไม่เคยทอดทิ้งพระเยซูเลยแม้สักครั้งเดียวพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้ผู้หญิงในขีดอายจัมีมากนะครับและผมอยากจะสนับสนุนและให้กำลังใจให้ผู้หญิงนั้นที่จะจับมือกันลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆรวมทั้งผู้ชายด้วยครับขอพระเจ้าอวยพนคณะสตรี ทุกๆคนอาเมน